พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าผู้ชี้ขุมทรัพย์วันพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่ง มกราคมพุทธศักราช 2,555 เป็นวันขึ้นปีใหม่แต่อากาศช่วงนี้ก็พอดีพอดีไม่หนาวและไม่ไม่ร้อนอ่ะไม่หนาวนะตามปกติมันจะหนาวแล้วนะสิ้นเดือนธันวาเนี่ยแต่ปีนี้รู้สึกอากาศพอดีถ้าเปรียบกับแอร์ก็ประมาณสัก25 24 25องศาที่พวกเราปรับ นี่พวกเราอยู่ในห้องห้องแอร์ใหญ่เนาะวันนี้อากาศพอดีไม่หนาวแล้วถึงปีใหม่ปีนี้เป็นวันพุ่งนี้จะเป็นถึงวันถึงปีใหม่พวกเราได้มาทำบุญส่งท้ายปีเก่าปีเก่ า, ป, กาปีใหม่แต่ตามไม่จริงก็ดินฟ้าอากาศที่พวกเราดูๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงวันพุ่งนี้กับวันนี้ก็คงจะคล้ายๆกันนั่นะ เพราะมันติดกันอันนี้ก็คือดินฟ้าอากาศแต่ว่าในใจของพวกเราเนี่ยในความในสมมติของพวกเราเนี่ยปีใหม่ปีเก่าพวกเราให้ความสำคัญและให้ความหมายอย่างมากเพราะว่าเราดำเนินชีวิตหรือว่าดำเนินทางกิจการงานหรือว่าทำมาค้าขายหรือว่าเป็นนักพจนักบวชอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยก็ต้องดูผลกำไร ทางด้าน จ, จิตใจแต่ถ้าว่าทำมาค้าขายเราก็ต้องดูผลกําไรในการทำมาค้าขายปีที่แล้วเป็นยังไงขาดทุนกําไรอย่างไรปีนี้หรือปีต่อไปเราจะเดินจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ใครเข้าว่าเป็นจุดยืนของพวกเราเหมือนกับเครื่องบินมันมันจะขึ้นจากสนามบินอย่างนั้นมันต้องหยุดพักสก่อนตรวจความพร้อมฮะ อันนี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเราถึงมาจุดนี้นี่พวกเราต้องตรวจตราดูความตัวตัวเองที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเราจะโดดทยานไปปีต่อไปนี่เราจะกระโดดอย่างไรเงยงบดุลอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้คิดการงบดุลว่าความการดำเนินชีวิตของเราปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร แล้วเราจะกระโดดต่อไปภายภาคหน้าสู้ไหวไหมหรือสู้ไม่ไหวหรือเราจะถอยหรือเราจะสู้อันนี้ก็คือการวางวางแผนชีวิตของพวกเราทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างทางโลกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ส่วนธรรมะทางด้านจิตใจก็เหมือนกันควรเราในปีที่ผ่านๆมาอายุของเราขนาดไหนแต่มาถึงปีนี้เราแก่กว่าปีที่แล้ว แก่ไปหน้าเรื่อยๆแล้วเรา เ, าเราจะมัวเมาแต่ท ร, รมาค้าขายเราจะมัวเมาแต่าการเที่ยวและเล่นลืล่นเลงลืมเป็นวันๆไปจะถูกต้องไหมเราควรจะสแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วนะอายุของเราปุณ น, นีแล้วเราควรจะปล่อยวางเราควรจะวางมื อ, อให้ทายาทของเราเข้ามาดำเนินการได้แล้ว เ, าเราควรจะ วางมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้านะอันนี้ก็คือปีใหม่ถ้าหากเราเราไม่ได้คิดนะอปีใหม่ปีเก่าผ่านไปผ่านไปเออเรื่อยเลื่อยเลื่อ ย, อยออโดยที่ไม่คิดไม่อา่านหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกนะเ อ, อไม่น่าจะถูกเพราะเหตุไรเพราะชีวิตของเราเนี่ย มันไม่ใช่มันจะยืนอยู่กับที่อย่างหลวงพ่อเนี่ยปีนี้หกสิบเจ็ดนะหกสิบเจ็ดพอถึงเมษาเนี่ยหกสิบเจ็ดเต็มล 68, 9, 68, 9, 69, และแตนี่เก้าหกสิบแปดพอเก้าหกสิแปดก็เก้าหกสิบเก้าแล้วก็เจ็ดสิบเนี่ยมันไม่ถอยหลังนะแต่คนทั้งหลายเขาก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อแข็งแรงดีมาที่ไรก็ยังสดชื่นสดใสข้งแข็งแรงดีดูแล้วก็ เหมือนเก่าฮหลวงพ่อไม่ได้คิดฮ่าสูมาหลอกฆ่าเล่นเฉยเฉยหรอกฆ่ารููฆ่าเองไอ้หลวงพ่ออินลูกหลวงพ่ออินเองทูเจ้ากข้พูดพูดไปอย่างนั้นอ่ะปละอย่างนั้นเถอะปลอพ่อได้กินน้ําโกโก้กาแฟไปอย่างนั้นอ่ะอแต่หลวงพ่ออินเนี่ยลูกหลวงพ่ออินเองเหมื อ, อนอกันเถอะพอเหตุอะไรพ่อธาตุขันไม่ไม่เหมือนเก่าการอยู่การหลับการนอนการฉันการเดินการเหินไปที่ไหน มันรุกในตัวของเราทั้งหมดเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ในใจของเราถามอยู่เสมอฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันมันแก่มันผิดปกติของร่างกายออายุสาสิกว่าเนะี่ยเออแปลวัดเที่ยงถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็เที่ยงตรงอายุสามสิบห้าเนี่ยในช่วงนั้นนะ่ะแต่พอสี่สิบขึ้นมาเนี่ยค่อยๆมันกเ็เที่ยงเที่ยงเที่ยงมาบ่ายๆค่อยๆนะ มาถึงสี่สิบพอถึงเลยสี่สิบมาแล้วเนี่ยมันลักมันชักจะเอียงลงเร็วๆเข้าไปแล้วนะพอถึงห้าสิบหกสิบนี่หลวงพ่อเห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันมันไห ล, ไห ล, ห ล, ไ, หลไหลลงแรงไหลไหลเล่ยู่เหมือนกันแเนี่ยนะถ้าเราไม่ประคองไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการประคองและประคองไม่ดีเนี่ยมันจะไหลไหลลงอย่างเร็วเลยห้าหกสิบเจ็ดสิบเนี่ย ถ้าว่าท่านสุขภาพแข็งแรงดีเอออันนั้นก็ท่านก็ค่อยไหลไปเรื่อยๆแต่หลวงพ่อเนี่ยงหลวงพ่อเนี่ยสูงโขโเขะอย่างหลวงพ่อนี่นะออถ้าถึงเจ็ดสิบไหลเข้าไปเนี่ยดูแล้วเนี่ยต้องหาไม้เท้ามาค้ำทางหน้าแล้วงั้นแต่เออพราะเหตุไรเพราะร่างกายของเราเมันไม่ให้แต่ถ้าว่าผูงต่ำๆตเตี้ยๆผอมๆเอออันนั้นจะอยู่ได้นานนะ แต่อย่างหลวงพ่อนี่ยโอเคอย่างนี้หลวงพ่อมองตัวเองอยู่ตลอดนะเพราะฉนั้นมีอะไรฮที่หลวงพ่อจะพูดอะไรหลวงพ่อก็รีพดพูดซะถ้าอายุมากกว่า น, นี้หลวงพ่อคงพูดไม่ได้แล้วลูกหลานก็เหมือนกันทําไมหลวงพ่ออินพูดมากนักฮพอต่อไปอายุมากๆขึ้นกว่า น, นี้นิ่มโนหลวงพ่อพูดเทศให้ฟังด้วยเถินหลวงพ่ออินฮแต่ก่อนฟู่เจ้าทําไมไม่มาฟังข้าพูดนะ บัตนี้ข้าพูดไม่แด้ถ้ามามาเยอะอย่านเนี่เดี๋ยวข้าจะตบปากซุเจ้านักขยาวยอย่างนั้นอีกปีอีกนีก่อเพ็าอะไรเพราะข้ามันแก่แล้วใช่ไหมในช่วงนี้เราพูดได้นะแสดงความคิดเห็นได้แล้วกัการแสดงความคิดเห็นที่หลวงพ่อแสดงความคิดเห็นเป็นที่หลวงพ่อกำมั่นใจว่าพูดให้ลูกหลานคณะจต่าญาติโยมฟังอที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรได้ประสบาการณ์มาอย่างไร ไ ด, ได้รับคาแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาที่เรียนได้มาอยู่กับท่านจากนั้นก็ได้ค้นคว้าตำรับตำราพระไตรปิฎกแล้วก็นำมาประยุกผสมประสานกันแล้วก็นำมาบอกกล่าวแนะนำให้แก่คณาตถาญาติโยมเป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ศึกษาเพราะพวกเราท่านทั้งหลายจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ อย่างหลวงพ่อเนี่ยจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดเรื่องรู้สิ่ ง, งต่างๆขึ้นมาได้ก็ต้องศึกษาค้นคว้าค้นคว้าอะไรยังไปแล้วยังได้ยินจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ค้นคว้ามาก่อนศึกษามาก่อนประสบปการณ์มาก่อนมาบอกกล่าวให้แก่เราะแกหลวงพ่อหลวงพ่อเลยในรับรู้รับท ร, ร, ร, ราบผสมผสานมาอีกก็มาบอกกล่าวให้แก่คณะรัต ย, ยาญาติโยมให้ฟังเน้อจุดนี้เน้อเรื่องนั้นเน้อเป็นเรื่องนี้เน้อ แต่พวกเราถ้าสงสัยนะสงสัยเพราะเป็นหลวงพ่อเปิดกุญแจให้แล้วนีไงเปิดกุญแจแล้วพวกเราสงสัยหลวงพ่ออินพูดอย่างเนี้ยทําไมพวกเราก็พร้อมที่จะเปิดเข้าดูในพระไตรปิฎกได้เลยพอเปิดเข้าไปในพระไตรปิฎกได้เอ๊ะทำไมพระไตรปิฎกพูดอย่างนี้แล้วกูบาอาจารย์ะท่านมีความเห็นยังไงเอาเปิดตําราลุงตาดูซิลุงตามหมาบว ด, ดูซิแล้วก็เปิดตาํารากูบาอาจารย์ดูอันนี้ อันนี้คล้ายๆว่าเมื่อเราได้ยินทีแรกแล้วเราก็จะได้เข้าไปสู่จุดหมายหรือจุดประสงค์หรือว่าแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระไตรปิฎกหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้ทีน่นีเออเป็นอย่างนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้จุดหมายปลายทางของหลักของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นท่า น, นจะไม่แนะนําทางสั่งสอนไปทางเดียวเหมือนกับกรุงเทพเนี่ยนะกรุงเทพเราอยู่ที่ไหนอ่ะผมอยู่ทางเชียงใหม่ครับเออเชียงใหม่เอาเข้ามาทางเนี้นะไสายเอเชียถ้ า, ย er ถายอยู่ทางภาคใต้ผมอยู่ทางภาคใต้ครับเออเอา เ, เข้ามาสายเพชรบุรีสายนะั้นเข้ามานะอถ้าผมอยู่อยู่ที่ไหนผมอยู่ทางจันทบุรีเออเ อ, เ อ, เอ า, า เ, ออ เ, อเข้ามาทางอระยองเข้ามาทางนั้นนะ างชนบุรีถ้าอยู่อยสายาไปทางไหนเออลงทางโคราชสนนมิตรภาพนะทำมันติดกันนู่นอ่ะไปทาง เ, าเลยโคราชไปทางทางทิศ ต, ตะวันออก น, ะ น, น่ะนแหละมันมีสองทางลงกรุงเทพนี่แหละคือจุดหมายปลายทางก็คือมรรคผลนิพพานคือจุดใหญ่แต่ แต่และคนแต่และท่านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันที่จะเข้าสู่กรุงเทพนะ่ยจะเข้าสู่อย่างไรเนะี่ยอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รู้ท่านก็จะได้แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการเดินมรรคเนี่ยเดินอย่างไรที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพวกเราควรจะค้นคว้าศึกษาเหมือนกันนะ แต่ทังยังไงไม่ใช่ค้นคว้าศึกษาอ่านตํำรับตําราเฉยๆนะให้ลงมือปฏิบัติด้วยนะเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าว่าพวกเรามีแต่ศึกษาเฉยๆหนึ่งนะในปริยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยปริยัติคือการศึกษาเนี่ยคือการเรียนรู้คือการศึกษาคืออ่านตำราอ่านตําราอ่านแผนที่ปริยัติปฏิบัติเนี่ยคือเดินตามแผนที่ ปฏิเวทคือไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยนี้ว่าปฏิเวทเพราะนั้นพวกเราจะเรียนเฉยๆอ่านแต่ตำรับตำราเฉยๆไม่ลงมือปฏิบัติยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเพราะนั้นทั้งปรยิยัดด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะถึงปฏิเวทนอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนเพราะนั้นถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษา เราไม่ได้เรียนปริยัติเราไม่ได้สนใจเราไม่มีศรัทธาต่างหากอันนี้นะ่ะน่าคิดนะพวกเราททั้งหลายให้ดูในใจของเราดูใจของเราน่าคิดท้าว่าเราไม่ได้เราไม่มีศรัทธาในหลักของพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าจุดแรกในจุดหมายคือที่เป็นอุปสรรคใหญ่คือ ผู้ที่เข้ามาศึกษาแล้วไม่เชื่อน ะ, ะว่าจุดที่ไม่เชื่อนี่คล้ายๆว่ามันมีมันมีใจของเราเนี่ยมันเป็นแก้วน้ำหรือเป็นกระบอกน้ำมันเต็มไปด้วยของสกรปรกรกหลงหลังคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันเต็มอยู่เิดังนั้นนจะเอาธรรมะเข้าไปเนยเอาศีลธรรมหรือธรรม ะ, รรมะหลักเหตุผลเข้าไปมันเต็มแหละข้าไม่เชื่อ ทำเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เชื่อมันปิดหูปิดตาทั้งหมดมันไม่ยอมฟังหลักเหตุผลอะไรเลยมันเข้าไม่ได้เพราะว่าใจตรงนั้นมั น, ม, นมันเต็มแล้วเต็มด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วแต่ถ้ามาพวกเรา เ, ออเข้ามาเออเราอยู่ทางโลกมันก็นเป็นอย่างนี้แหละแต่นี้เราเททิ้งซะก่อน เรายอมเชื่อเอเชื่อทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก ด, ดูปา่ารงพงภัยถ้าท่านปฏิบัติมาเนีท่านปฏิบัติอย่างไรพวกเราควรใจใจของเราเนี่ยเราควรจะเททิ้งซะกอ่อนเออแครว่าเทให้มันทั้งทิ้งจะไม่เททั้งหมดนะก็ให้มันกระชอกให้มันมีธรรมะเข้าสู่ใจบ้างเออแค่ว่าเท ไปเททั้งหมดเรายังรักกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แต่เราก็เทออกไปสักให้มันพ่องบ้าง เ, าเพื่อจะได้เอาธรรมะคือให้เชื่อบ้างาถ้าเรามีความเชื่อบ้างทีไหอมีความเชื่อจ้นี่แหละเราก็ลงมือลงมือปฏิบัติทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาศีลทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาทาไมครูบาอาจารย์ ท่านจึงให้สอนให้ทานรักษาีลภาวนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราให้ทานเราก็เสียของแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้สอนให้ทานเราก็มาพิจวิเคราะห์ดูใช่ไหมถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีน้ำใจต่อกันมีแต่เห็นแก่ตัวมีแต่ขี้แตนีทีเหนียวพ่อแม่ก็ไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครลูกเราลูกเต้าเล่าล้านจะใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไรหมูหมากาไก่ ถ้าคนไม่เลี้ยงมันมันจะอยู่ได้อย่างไรทุกคนเห็นแก่ตัวทั้งหมดมีแต่จะเบียดเบียนนอกจากตัวเองแล้วฆ่าด่ไปหมดงไงไม่มีการเสียสละให้กันเลยพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนในในี้พวกเรามีการเสียสละดีน้ำใจต่อกันมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีน้ำใจต่อกันเมื่อใครตกทุกข์ได้ยากก็มีการเสียสละ เรื่องคุหนุนกันนี่แหละคือทานนะคือทานพระพุทธเจ้าสอนให้ทานให้เสียสละต่อกันถ้ามีพวกเรามีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นถูกเอถ้าเราคิดให้กว้างไกลๆแล้ว เ, เออทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาให้ทานให้ทานมีประโยชน์อย่างนี้เองถ้าถาสอนไปคีตณีนะคีตดนีนะอย่าไปแบง่งไปใครนะโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนขนาดไหนแต่ขนาดพระพุทธเจ้าสอนให้ทานขนาดนี้ พวกเราก็ยังเห็นแก่ตัวนะแต่ถ้ามองพวกผู้ใดก็ตามผู้มีการเป็นผู้เสียสละเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายอย่างหลวงตามหาบัวนะท่านให้ทานเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรท่านมาไกลทำบุญทำทานคนก็เป็นที่ก็ท่านคนทั้งหลายก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลวงตาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตามองไกลให้แก่พี่น้องประชาชนคือฐานะศินก็คื อ, คอกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน ถ้าคนเราอยู่ด้วยกันไม่มีกฎไม่มีระเบียบต่างคนก็ต่างอยู่ใครมีอำนาจเหนือกว่าก็ใช้อำนาจกดขีบ่บังคับคนอื่นเขาโลกทั้งโลกจะเดือดจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกได้ยังไงก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันนี่พ ร, ระพุทธเจ้าจึงให้มีสินสินท่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่คือสิน5าคือศินของพระพุทธเจ้าและทำเลสมาธิทำศินสมาธิปัญญาปัญญานี่คิดอะไร ท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยคือให้เราคิดดูน ะ, ะร่างกายสังขารของเราเนี่ยปีนี้เท่าไรเราจะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไรเพราะนั้นให้พวกเราคิดดูให้ดีร่างกายนะีนไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราไปยึดยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานเงินคำทรัพย์สมบัติเลือกสวนไล่ดาสามีภรรยาลูกหลานว่าเป็นของเราได้อย่างไร ขนาร่างกายยังไม่ใช่ของเราใจไหมใช่ไหมใจสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องถามมาถึงใจอันนี้แหละคือปัญญาเลยท่าปัญญาแล้วถามมาได้อะไรถามก็คือได้ความไม่หลงไม่ลืมตัวถ้าจะโกรธใครก็ไม่ถึงกับฆ่าเขาถ้าจะรักใครก็ไม่ถึงกับร้องห่มร้องไห้ทั้งวันะเพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งมันแน่ ถ้าสิ่งไหนเราก็จะรู้จักพอเราใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบในตัวเราและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเราใช้ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ากันกรองเข้าไปถึงจุดตัวผู้รู้ใจจริงๆเลยถนอมตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถึงพวกเราไม่เอาถึงขนาดนั้นก็เถอะนะให้พวกเราอยู่ด้วยกัน อ, อยู่ด้วยกันในโลกเนี่ยจะทำยังไงพวกเราจรึงจะร่มเย็นเป็นสุขผาสุขได้ในหลักของพุทธศาสนานท่านแบ่งแยกแบ่งออกไปให้ให้พวกเราได้ศึกษามากมายาในการอยู่ด้วยกันอย่างอย่างปีใหม่อย่างเนี้ยทำไมปีใหม่ พวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าปีใหม่คือเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราสังเกตปีเก่าปีใหม่เราจะปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของเราอย่างไรปีต่อไปปีเก่าเนี่ยคือเป็นบทเรียนของเราทำดีทำชั่วมันชั่วมาแล้วมันดีมาแล้วขาดทุนกำไรมาแล้วแต่ปีต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งใจใหม่เราเคยกินเหล้า กินเหล้าดื่มชุราเราจะงดพออายุของเราขนาดนี้แล้วมันเสียหายที่ผ่านผ่านมาเท่าไหร่เราเล่นการพนันมันจิบหายถึงอ ย, ยากทําำเราก็ไม่ทําสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันอบายยมุกเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกีจติค้านทําการงานอาบา ย, ยมุกเรามองดูแล้วจุดไหนที่มัน ที่เราผ่านผ่านมามันทำให้เราเสียหายครอบครัวของเราเสียหายครอบครัวของเราทะเลาะวิวาดแล้วก็ทะเลาะทะเลาะแว้งกับพ่อแม่พี่น้องออวงสาคณา ญ, ญาติหรือสำนักงานของเรามีอะไรเราจะหยุดในจุดนั้นที่ผ่านมาเอาเราจะตั้งต้นใหม่อันนี้ก็คือการที่เราจะมองมองมองการเป็นอยู่ของเราแต่ในปีใหม่โดยพ่อลงพ่อจะเน้น เรื่องการอยู่ด้วยกันกับอยู่ด้วยกันของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่กับลูกโดยมากหลักของพุทธศาสนาทาาหลักพระพุทธศาสนาไม่สอนเรื่องพระคุณของพ่อของแม่แล้วหายากนะผู้ที่จะสอนพระคุณของบิดามารดาโดยมากจะมองข้ามมองข้ามพระคุณเป็นหน้าที่ พ่อพ่อแม่เป็นหน้าที่จะต้องเลี้ยงรู้ลูกเลี้ยงดูลูกลูกเนี่ยจะทำยังไงก็ได้พ่อพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นนะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณเทวะที่ท่านได้เราได้เกิดมาจากพ่อแม่ก็คงจะเป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าว่าเราลูกไม่ดีเกเร พอออกมาแล้วกันพี่หาเรื่องหาเราใส่พ่อใส่แม่เป็นนักเลงใส่พ่อใส่แม่อีกจังหากพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังจากนั้นก็จะผ่านพ่อแม่อีกพ่อจะฆ่าพ่อแม่อีกอันนั้นไปว่าบาปกรรมในอดีตของพ่อของแม่กับลูกคนนั้นมาเจอกันลูกไล้มาเกิดมาเกิดกับเราก็เลยมาทวงคืนคล้ายๆ่ามาเอา เรื่องราวที่ไม่ดีใส่เราอันนี้ก็คือที่เราเป็นบาปกรรมานีที่เราได้ลูกอย่างนั้นแต่ลลกที่ดีสิเนี่ยพอเกิดมาแล้วมีแต่เครื่องเรื่องเกื้อกูลหนุนเชื่อฟังปัดในถ้อยคาของพ่อของแม่มีเหตุมีผลพ่อแม่ก็มีเหตุมีผลลูกเกิดมาก็มีเหตุปีผลอันนี้ไปว่าบุญต่อบุญใ น, ในอดีตได้มาพบมาร่วมกันแล้วมาเกิดกันแล้วเกื้อกูลหนุนกัน พ่อแม่ก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขลูกที่เกิดมาก็เป็นสุขเพราะได้พ่อแม่ที่ดีอันนี้แปลว่าบุญมาเกิดบุญสมพงกันมาเกิดด้วยกันแต่ได้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้สอนนะทเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธระขอของท่านดารงวงสกุล พอพึ่ฒน์ตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอะระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญบุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือคือหน้าที่ของบุตรทิดาทุกคนจะต้องใส่ใจเพราะพ่ อ, พอแม่เป็นบุพภาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตรธิดาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเห็นไหมตัวแดงๆไข่เมื่อเราเห็นเด็กเขาเลี้ยงกันยังไงเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก่อนที่เราจะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ ก็ไม่แพ้กันกับพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กทั้งหลายทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งอะไรตัวไม่อะไรคนโบราณเขาบอกว่าลูกแต่ละคนที่จะใหญ่ขึ้นมาได้สมัยก่อนเขาไม่มีสบู่ล้างมือใช่ไหมละ่ะ เ, เขาบอกว่าลูกแต่ละค น, เ, นเกิดขึ้นมาได้เพราะแม่ผู้แม่กินขี้ลูกเท่ากำปัน่นเขาว่าอย่างนั้นนะทำไมเพราะว่า เลี้ยงลูกแต่ละคนบางทีก็ขี่ทั้งขี่ทั้งเยี่ยวทั้งอะไรด้วยล้างมือบังไหม่ล้างมือบัง่งจากนั้นก็มาปั่นข้าวกินขี้แต่มันติดกับข้าวนะั่นแหละพ่อแม่กินแ ม, แม่กินเข้าไปนะกินขี้ลูกแต่ละคนเท่ากับปั่นกว่ากว่าเลี้ยงลูกจะใหญ่ฮะคนโบราณเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้คงจะไม่เป็นอย่างนั้นกระมังออพอที่จะกินข้าวเาเล่าฟอกสบู่ซะก่อน เนี่ยคงติดขี้เล็บก็คงจะไม่มากเท่าไหร่คงจะไม่ถึงกำปั้นมั้งอย่างน้อยก็าทั้งหัวแม่มือคงจะได้อยู่มั้งเนี่นี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดุกบุตรทุกคนจะว่าบุปผาจารเป็นเออเป็นคนแรกที่สอนลูกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักการ ขับการถ่ายการอยู่การกินการหลับการนอนการเรียกพี่ป้าท้าอาพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เป็นผู้สอนหมดจวัพ่อแม่เป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบทท ธ, ธ่ดาเนี่ยจากนั้นก็เมื่อสอนใจขึ้นมาก็เข้าโรงเรียนถึงยังไงโรงเรียนก็เถอะพ่อแม่ก็ยังให้ทุนการศึกษาอยู่จนถึงปริญญาตรีโทเอกพ่อแม่ก็ยังให้ทุนอันนี้แหละถือว่าเป็นผู้มีพักคุณอย่างยิ่ง ต่อบุตรทาเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมพระคุณของท่า น, นนี่หลักของพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาไม่ให้ลืมบุญคุณนะถ้าใครทําบุญคุณให้กับเราถึงจะน้อยหนึ่งหลักของพุทธศาสนาก็ยังให้ลำล้ำลึกถึงอย่างที่พระราธพรรมพระราธพรรมที่เป็นพระที่บวชภายแก่อายุแปดสิบปีเนะีย่ยนะบางคนก็อยากจะถามว่าเอออายุมากแต่บวชได้ไม่ลงพ่อ ในตำ ร, ราพระไตรปิฎกท่านว่าพระลาตะพามอายุแปดสิปีนะท่านบวชนะเออแต่ก่อนท่านก็เป็นพราหมณ์ไปหาเนี่ยนะเป็นอะไรหมูหมอสู่ขวัญเนี่ยเอหมอสู่ขวัญเรียกขวัญเนี่ยนะเออไปทําพิธีกรรมที่นุ่นที่นี่ที่วันหนึ่งท่านไปทําพิธีกรรมได้แล้วท่านได้ข้าวมาหม่อหนึ่งค่ะข้าวเจ้างคงจะเป็นข้าวสวยนี่มั้งท่านก็คิดในใจเออ แต่ก่อนเราคงยากจนขนาดนี้คงไม่ได้ทำบุญทำทานมาก่อนม้างท่านก็เลยได้ข้าวมาได้ข้าวมามอหนึ่งเห็นภาษาลีบุตรเดินมาเห็นมา ก, กันเอ่อเด็กจะตักบาตรตักบาตรภาษาลีบุตรพระนาษาลีบุตรเห็นว่าพรำ เ, เขาจะใส่บาตท่านก็เปิดบาทให้พอเปิดเขาก็ใส่บาทเข้าไปทับพีหนึ่งข้าวทับพีหนึ่ง พอจากนั้นภาษาเรบุตรไปเดินไปที่ไหนก็ไม่มีใครใส่บาตรวันนั้นท่านก็มาฉันข้าวทัพผีนั้นทัพผีของป่าโมถ้าพราหมณ์คนนั้นไม่ใส่ข้าวให้เราคงไม่ได้ฉันอาหารวันนี้เลยนี่แหละชีวิตของนักบวชนะพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูนะ อ, อไม่ใช่วันรวยอย่างหลวงพ่อทุกวันทุกวันอย่างนี้นไม่ใช่นะบางทีบิณฑ บ, บาตหลวงพ่อไปเดินอยู่ในป่าโลงพงไพ อ, อบางทีไม่ได้ฉันก็มีเหมือนกันนี่แหละอันนั้นแหละชีวิตของนักบวช ภาษร ท, ท่านก่อนบินธบัตรได้ได้ข้าวทั้พีเดียววันนั้นท่านก็นมาฉันพอฉันเสร็จแล้วท่านก่อนแล้วไปละทีต่อมาพราหมณ์คนนั้นนี่เออมาเป็นขยอมวัดนี่เออมาอยู่ในวัดนี่ท่านก่อนเลี้ยงชีพแล้วแล้วก็เออวัดนี่คงจะเลี้ยงท่านได้ท่านก็นมาอยู่วัดมาอยู่วัดกินข้าวเศษบาทก่นบาทอะไรลักษณะนี่ช่วยการงานไดยย้ยาให้แก่พระพระท่านก็ใช่ตามที่ ที่จะทําได้อายุตั้งแปดสิบแล้วใช่ไหมแต่นี้ก็พามตอนนั้นก็เนี่ยเคิดเอาเราเนะ่ยอยู่ในนี้ทําไม้เมื่อสมัยเราเป็นหนุ่มเราจึงไม่คิดอยากจะบวชเออแต่บัดนี้เราจะบวชขึ้นมาสมบัติของเราก็ไม่มีสักอย่างเ อ, อเราก็อยากจะบวชเหลือเกินนละพามตนันก็คิดแล้วคิดอีกจนตัวเหลืองเหมือนกันนะเถอะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคิดอยากจะบวชเออทตนี้พระ เลขเน้นน้อยก็ถามเอาโยมพรามณ์ทำไมตัวเหลืองเนเอยตัวเหลืองโยมเป็นอะไรกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมป่วยใช่ไหมไม่สบายอะไรใช่ไหมไม่ครับก็ไม่กล้าพูดพอหนักเข้าหนักเข้ามันตัวเหลืองเข้ามากๆเลยก็ถามว่าโยมมันเป็นอะไรพรามณเป็นอะไรทําไมตัวเหลืองอย่างเนี้ยทําไมผอมอย่างเนี้ยทําไมเพามว่าผมอยากบวชครับนะอ่า ผมอยากบวชอย่างมากเลยครับแต่ไม่ผมมองดูแล้วไม่มีใครที่จะให้บริขารผมแต่นี้คําพูดคํานั้นแหละออกไปกระจุยกระจายไปทั่ววัดป่าเชตตะวันเลยท่านพระสงฆ์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าครัพระพุทธเจ้าข่ามีพรามเลยเออายุแปดสิบที่มากินข้าวคนบาตอยู่เนี่ยะเขาอยากจะบวชจนตัวเหลืองแลยจะจะจะจะทำยังไงพระเจ้าข่า พระพุทธองค์ก็ไม่ได้นิ่งดูได้เพียงเพียงเท่านั้นแหละท่านก็เรียกประชุมสงเลยน่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมดานี่เรียกประชุมสงพอประชุมสงเสร็จแล้วมีพระโมกขาลาสารีบุตรกัจจ ป, ปะอานอนนครพบพระพองค์ก็ถามว่าเนี่ยถามว่าพราหมณ์พราหมณ์คนนี้อยากจะบวชใช่ไหมพราหมณ์ก็ใช่อยากจะบวชพระพุองค์ก็ถามว่าใครเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพราหมณ์ มีไหมพระที่อยู่ในนี้มีองค์ไหนบ้างที่เป็นที่ทักที่ที่พรามได้ทำพระคุณกับกับพวกท่านทั้งหลายผลที่สุดก็ภาษาลิบุตรนั่งกระจกประนมมือขึ้นมาว่าฆาพระองค์ลํำลึกได้พระเจ้าข่าที่พรามคนนี้ได้ทำคุณให้เกียว์่าพระองค์เฮเขาทำอะไ ร, ระสาริบุตรภาษาริบุตรว่าข่าพระองค์ไปบินธบาตในกรุงราชคือ ไม่มีใครใส่บาดวันนั้นเนี่ยพราหมณ์ใส่บาดข่าพระองค์หึงทับผีข่าพระองค์ก็ได้ฉันข้าวของพราหมณ์นั่นแหละพระเจ้าข่าในวันนั้นเพราะนั้นฆ่าพระองค์ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้มีพระคุณพระองค์บอกเออเอาทาอย่างนั้นสารีบุตรเป็นภาละนะให้ท่านเป็นผู้บวชนะบวชให้พราหมณ์เลยนะได้ไหมได้พระเจ้าข่านะนั่นแหละพระสารีบุตรก็เลยบวชเนี่ย นี่น่ข้าวเพียงทับผีเดียวท่านยังไม่ให้ลืมและพ่อแม่เลี้ยงลูกละท่านนี่มากมายถึงขนาดไหนถึงใหญ่ขนาดนี้พวกเราจึงลํำลึกไม่ได้หรือรุญคุณของพ่อแม่เนี่นี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้ลืมบุญคุณของของคนนี่แหละบางคนเนี่ยเพอเยังฆ่าพ่อฆ่ า, าแม่อีกต่างหากเพื่อเช็คบิน เ, เพื่อลบล้างหนี้เก่าตัวเองฮะ อย่างนั้นไม่ถูกต้องนะข้าราชกาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดในหลักของพุทธศาสนานะให้ลําลึกถึงพระคุณนะนี่แหละภาษาลิบุตรได้เข้าเพียงทัพทีเดียวท่านก็ยังลําลึกถึงบุญคุณของพรามนะจากนั้นท่านก็บวชให้พอบวชให้พรามคนนั้นก็เป็นอายุแก่นะ อ, ออายุแก่แต่ว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคล้ายๆฟังภาษาลิบุตรเป็นอายุปุณ หลานปูนรูปปูนหลานปูนเหลนอย่พูดให้ฟังท่านก็ฟังศึกษาอย่างผลสุดท่านไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันเพราะท่านศึกษาและฟังเพราะพระทัเจ้าถามมาเป็นไงาสารีบุตรตุกสิกษย์แก่ของท่านเนี่ยไฟในการศึกษาโอ้ถ้าหากว่าข้าพระองค์ได้ลูกศิกษย์อย่างราธพามเนี่ยนะเป็นร้อยเป็นพันข้าพระองค์ก็รับทั้งหมดเพราะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายโดยมาก ภาคแก่เดี๋ดันทุลังเด้หมเพราะนั้นกูหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายฟังฟังไว้นะแอมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปดันทุลังให้ฟังไว้แหมเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระราธพามบอกว่าที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวว่าอย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนี้นะเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้ท่านไม่ได้ดูถูกเหยี็ดหยามเราท่านเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เมื่อเราปฏิบัติ ต, ตามนั้น เราก็ได้ซัพยบนะพระราตพ า, ามท่านคิดอย่างนั้นน่ะไม่ไดีคิดว่าเอทําไมพระเล็กเนี่ยน้อยทําไมกูบาอาจารย์จึงดูถูกเหยียดยามงข้าเนี่ยท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านว่าผู้ใดบอกกล่าวแนะนําเราไปในทางที่ถูกต้องผู้นั้นเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้อนุเคราะห์เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เรานะประโมคคพระราตพ า, ามท่านพูดอย่างนั้นผลที่สุด ท, ท่านก็เลได้สําเร็จเป็นพระหันนี่แหละ ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อพูดยืดยาวไปสักหน่อยพเพราะว่าเป็นวันสิ้นปีให้แนวความคิดมากลากหลายแก่คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนําไปคิดนําไปพิจารณ า, าด้วยเหตุและผลถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังฮะจะเกิดปัญญาได้อย่างไรแต่ว่าพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างหลวงพอ่อจุดประกายเรียว่าชี้นํำชีำ้ชนแนะพวกเราก็จะได้ ฟังและศึกษาแล้วก็ค้นคว้าต่อหลักของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ไหม ท, ที่หลวงพ่อพูดไหมพวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือเนี่ยนะการเป็นอยู่ของเราก็เจริญด้วยราบยศสรรเสริญสุขทางธรรมก็พวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเย็นใจ โภมใจใจมีหลักใจมีเหตุใจมีผลใจมีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะแต่มีแต่ทางโลกอย่างเดียวใจเจริญทางโลกอย่างเดียวมียศฐานบรรดาสักสูงขนาดไหนก็เถอะนะแต่ถ้าว่าทางธรมขาดธรรมะขาดหลักเหตุผลในธรรมะไม่รู้จะยึดอะไรตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่มั่นใจผลที่สุดเราก่อนเนี่ยเคว้งคว้างว้าเหว แต่ถ้าเรายึดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเออตายแล้วเกิดแน่บาปปุญคุณโทษมีจริงเราจะทำแต่ความดีเท่านั้นเนี่แหละเพื่อเรายึดอย่างนี้ได้เราจะทางโลกเราก็จเจริญทางธรรมเราก็มีความสุขนะเรียกว่าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมต่อนนี้ไปประสงค์จะอนุโมทนาให้พร